วัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปได้กล่าวถึงเรื่องสังโยชน์ที่แปลว่าอิเลสซึ่งปูุกใจสัตว์เอาไว้จะเกิดขึ้นเวลาประสบกับอารมณ์ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัส อันที่จริงเพิ่งสังเกตว่าเป็นปริยายคือนิยะแห่งการแสดงธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นประเทศที่จริงแล้วลกุศลอกุศลก็ล้วนแล้วแต่เกิดผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้น ก, กายใจด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าวิธีนี้เป็นการมองในมุมของกิเลสคือหมายความว่า เวลาตาเห็นรูปเป็นต้นแล้วเกิดกิเลสซึ่งเป็นข้อปฏิบัติทำนองเดียวกับเรื่องอินทรีย์สงวรคือการสำรวมระวังอินทรีย์ซึ่งก็หมายความว่าในชั้นนั้นเป็นการสำรวมระวังอินทรีย์เวลาตาเห็นรูปเป็นต้นไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายแต่ในที่นี้เป็นการมองอีกระดับหนึ่ง มาความกิเลสนั้นเกิดแล้วแต่ดูว่าวกิเลสเหล่านั้นข้อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้นในขณะนั้นๆั้นไปรู้ตามความเป็นจริงการเกิดของกิเลสเป็นเรื่องของอารมณ์เป็นเรื่องนามนธรรมไม่ได้เกิดตามลำดับที่ท่านเรียงเอาไว้มันขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางจิตใจของบุคคล เราจะสังเกตได้ว่าเวลาเห็นรูปฟังเสียงเป็นต้นนั้นอารมณ์ส่วนใหญ่จะออกมาในรูปของรักชังและยินดียินไรแล้วกับเฉยๆอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานในด้านจิตใจของเราที่เกี่ยวข้องอารมณ์ในขณะนั้นๆคือจะกําหนดใดตัวลงไปไม่ได้ว่าอารมณ์อะไรเป็นที่รักเป็นที่ชัง เพราะตัวอารมณ์มันไม่ได้สากรแต่ว่าจิตใจของบุคคลซึ่งรับรู้อารมณ์เหล่านั้นจะมีความเปลี่ยนแปลงไปโดยพื้นฐานของเขาเองคน อ, อารมณ์เดียวกันจะนรูปเดียวกันคนเห็นต่างกันหรือแม้แต่เราเองเราเห็นคนละขนากัน บางขณะกว่าจะยินดีบางขณะกว่าจะยินร้ายบางขณะกว่าจะเฉยๆมันขึ้นอยู่กับคุณภาพจิตในแต่ละขณะที่สัมผัสอารมณ์เ่านั่นเพราะเราจะสังเกตได้ว่าแม่บุคคลอันเป็นที่รักหรือบุคคลที่เราไม่ชอบก็ไม่ใช่เป็นการรักการชอบอยู่ทุกขณะ บางขณะคนที่รักนั่นเองก็มีการทะเลาะวิวาดกันฉะนัพ่อแม่ลูกขัดแย้งกันสามีภรรยาขัดแย้งกันพี่กับน้องขัดแย้งกันทั้งๆที่โดยพื้นฐานแล้วก็มีความรักใคร่ผูกพันกันแต่ความเปลี่ยนแปลงนั้นเกิด ข, ขึ้นกับสภาพของอารมณ์ที่ปรากฏในขณะนั้นๆและบุคคลไปมองอารมณ์เหล่านั้นในแง่ใด จิตใจมันก็ถูกปรุงโดยความคิดที่เราคิดปรุงขึ้นมาเองรานความรู้สึกที่เป็นเหตุให้คือกิเลส ท, ที่จริงแล้วเราก็กําหนดเอาเองก็จะดูแล้วคล้ายๆกับเราไปปลูกฝังความกลัวในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นกลัวผีขึ้นภายในใจแล้วก็รับสภาพเหล่านั้น เมื่อเราเข้าไปในสถานที่ใดที่หนึ่งซึ่งใจเรากําหนดว่าผีดุหรือน่ากลัวในขณะที่คนอื่นเข้าไปรู้สึกเฉยๆอาจจะรู้สึกสนุกได้ซ้าไปแต่เนื่องจากเราได้กําหนดเอาไว้ว่าเป็นที่ผีดุเราก็เกิดรู้สึกกลัวรู้สึกกับการขนพองรู้สึกขนลุกสู้ด้วยความบาดกลัวทีนี้ถ้าปรุงไปบอดเข้า ก, ก็กลายเป็นอุปาทาน ความยึดมั่นหรือมั่นขึ้นมาในความรู้สึกคนอื่นเป็นยังไงไม่รู้รในความรู้สึกของเราก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับผีทั้งนั้นแล้วในสุดเราก็หวาดกลัวเองตกใจเองหรือจับไข้ไปเองหรือขวัญเสียไปเองทัศนะตของกิเลสมันก็เป็นเช่นนั้นอาศัยที่เรามีเชื้ออยู่ภายในใจเมื่อกระทบอารมณ์ ที่ผ่านมาทางภาษาสัมผัสก็มีการปรุงคิดไปตามขณะนั้นๆที่จริงแล้วก็ปรุงปรุงคิดไปตามเชื้อที่มีอยู่ภายในจิตซึ่งแนวเหล่านี้ท่านได้แสดงไว้ตั้งแต่เริ่มต้นของการคิดอย่างที่ทรงแสดงไว้ในมหาปณิธานาสูตรมหาทานานิทานนสูตรทรงเน้นไปที่เชื้อของกิเลส อย่างที่กล่าวมาแล้วก็เชื้อของสกการทิฏฐิเชื้อของมิจิกิจชาเชื้อของศิลปฏิบตรามาสเป็นต้นแต่ก็เรียกว่าธาตุแล้วก็มีเชื้ออยู่มากบ้างน้อยปัางไปในใจเราพอกระทบอารมณ์หรือแม้จะไม่กระทบอารมณ์จากข้างนอกใจเราก็เดีอดเนืเอ้อกาวเพราะอย่าลืมว่าบรณาอารมณ์ทั้งหลายนั้นอารมณ์มันอยู่ภายในอย่างหนึ่งที่เราเรียกว่าธรรมารมณ์ เรื่องของเก่าเก็บคือเราเก็บไว้ภายในใจไม่มีอารมณ์กระทบจากข้างนอกเราก็เหนียวมันนึกมันคิดมาปรุงด้วยประการต่างๆบางทีเอาของเก่าเก็บนานๆเข้ามาปรุงบางทีก็คาดหวังเอาในในอนาคตการเข้ามาปรุงบางทีก็เหนียวนึกเอาในขณะนั้นๆแล้วก็นํามาปรุงก็แสดงว่าอารมณ์ที่นํามาปรุงมันก็นํามาได้ทั้งอดีตอ น, นาคตแล้วกัปัจจุบัน ปรุงอย่างไรก็ปรุงไปตามพื้นฐานที่เป็นธาตุไปในใจของเราอย่างยกตัวอย่างความกําหนัดรักใคร่พอใจแล้วก็อาศัยเชื้อของกรรมะธาตุที่มีอยู่ภายในใจใจมรนก็ ก, กำหนดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเหล่านั้นว่าน่าใคร่หน้าปรารถนาน้าพอใจท่านเรียกว่ากามะสัญญาเราก็จำไว้อย่างนั้น คนอื่นจะเห็นยังไงไม่รู้แต่เราก็จำก็รออย่างนั้นเมื่อใจไปจาเอาไว้อย่างนี้ในที่สุดมันก็เกิดเป็นกามฉันทะคือความกับหนักดรวยอำนาจของความพอใจความเพลิดเพลินด้วยอหนาจของความพอใจแล้วก็นำเรื่องเหล่านั้นมาคิดมาปรุงขึ้นมาปล่อยท่านเรียกว่าเป็นกามสังกัปปะ คือตรึกนึกไว้ด้วยอาํานาจของความใคร่ดาริไปด้วานาจด้วยอํ า, ออานาจของความใคร่ึ่งเกตได้ว่าเป็นการมองในมุมเดียวไม่ได้มองแยกแยะหรือมองในแนวของการเจาะลึกลงไป ท, ง ท, ง ท, ง ท, งทั้งทั้งที่ในแง่ของความเป็นจริงแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นเฉพาะภาพที่เราเห็นด้วยตามันก็มีอยู่หลายด้านแต่เราก็มัมกมักมองเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง การนี้มันก็ปักลงไปในแนวนั้นในสุดเมื่อเนียวนึกตึกนึกในแนวนี้จิตมันก็เร่าร้อนไม่ได้แรงของกิเลส ต, ตามที่เราเนียวนึกเอาถ้าเนียวนึกในแนวของอัตราตัวตนกิเลสประเภทนี้ก็จะฟูกขึ้นแต่อย่าลืมว่าที่จริงแล้วมันมีการเชื่อมโยงกันเพราะใดก็ตามถ้าเอาตนไปวางไว้สักจุดหนึ่ง มันจะมีอาการเชื่อมโยงอะไรอีกมากมายเห็นเราหิวเราเจ็บเราปวดเราเมื่อยเราไม่สบายเราปวดท้วปวดท้องก็อะไรก็เราตั้งนั้นแหละแลวเสร็จแล้วมันก็ไปเชื่อมกับของเราญาติพี่น้องของเราเพื่อนของเราศัตรูของเราใจมันก็แกว่งไปตามความรู้สึกของเรามันจากจุดนี้จุดเดียวกิเลสมันก็เกิดได้ครบแล้วโดยเริ่มมาจากตน คือความรู้สึกเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขารู้สึกมากเท่าไหรเวละอะไรมากระทบก็เล่าร้อนทั้งนั้นกระทบในทางดีก็เล่าร้อนด้วยความปรารถนากระทบในทางไม่ดีก็เล่าร้อนด้วยความเครียดแค้นจิงชังต้องการจะ ต, ต่อสู้ต้องการจะขัดขวางทํำลายหลังเพราะจากนั้นก็เกิดเป็นตันหาขึ้นตามการกําหนดอารมณ์นั้นๆ จะจะมีช่วงของการพอเกิดตัณหาขึ้นไปในใจมันก็มีการแสวงหาเพื่อได้สิ่งนั้นมาครอบครองในทิศทางของการแสวงหานั่นเองเราจะเห็นเป็นอาการพฤติกรรมต่างๆที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าถ้าความปรารถนา น, นั้นมีสติปัญญาเมตเพลควบคุมเอาไว้มันก็หาได้เรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรก็เป็นสมาชิบ คนก็เป็นเศรษฐีมีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยได้แล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นรู ป, ปรวัตถุซึ่งเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นหน้าตานั้นก็เป็นสิ่งที่มีความมีอายุยั่งยืนกว่าเป็นรูปของทานมันเป็นสาธารณประโยชน์ต่างๆแลาจนถึงจุดหนึ่งถ้าก็ลดละถ่ายถอนความยึดติดในสิ่งเหล่านั้นออกไปคือจะมุง่งไปที่ผลที่สูงสุดไปกว่านั้น สตานที่ท่านจับได้เช่นนี้ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของธรรมะที่มีอยู่ภายในใจมันก็เป็นธาตุอีกสายหนึ่งบางทีก็สรุปรวมๆ ว, ว่าธรรมธาตุกับอธรรมธาตุธ า, าตุธาตุนะคือเชื้อทั้งสองอย่างเชื้อของความดีกับเชื้อของความชั่วที่มีอยู่ภายในใจของบุคคลเพราะในที่นี้พระพุทธเจ้าก็เน้นไปที่การรับเชื้อที่จะเพิ่มกิเลส ซึ่งหมายความายังไงหมายความว่าเป็นเรื่องระดับปริยัติแต่ในภาคปฏิบัติจริงๆเนี่ยในขณะเช่นสมมติสองสามนาทีในบางขณะจิตเป็นปเดี่ยวนึกเอาสิ่งที่เป็นกุศลก็มองไปในสายมองไปอีกสายหนึ่งก็คือสายของโพชฌงค์ถ้ารูปมันเกิดมาในรูปของนินวรณ์เราก็มองไปในสายของนิวรณ์ ปัจจัยไปดูที่เวทนาเราก็นึกไปในแนวของเวทนาใจปเป็นเหนียวเอาในเรื่องของร่างกายเราก็นึกเป็นแนวกายคือไม่ได้หมายความว่าจะต้องเกิดอย่างนี้เพียงแต่ว่าเป็นช่วงเป็นตอนที่ทรงแสดงท่านั้นเองแต่ในภาคปฏิบัตินั้นเรากําหนดไม่ได้ว่าจิตใจเราอะไรจะเกิดขึ้นในขณะนั้นๆแต่ว่าก็ทรงสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมเพราะภาคปฏิบัติก็คือเรื่องของภาคปฏิบัติ ในช่วงนี้ตาเห็นรูปแล้วมีสติมีสัมผัสญญเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องของกุศลและธรรมการมองก็คือการประคับประคองความรู้สึกเหล่านั้นเอาไว้ตามแนวจิตานุปัสสนาที่เรามองไปในแรกในแนวของสิ่งที่เป็นกุศลเ่อสิ่งที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นก็ก็มองไปในแนวของพวกนิวรพวกอาิตนาปภะอย่างที่กล่าวแต่บางทีก็มองถึงสภาวธรรม ใจเป็นเหนียวนึกไปตรึกนึกในแง่ของสภาวธรรมถึงรูปถึงเวทนาถึงสัญญาถึงสังขารถึงวิญญาณถึงความแก่ความเจ็บความตายในแต่ละต่างๆถ้าใจเป็นเหนียวนึกอย่างนั้นมันก็ไม่ได้มองในแนวนี้แต่เป็นการมองอีกแนวหนึ่งคือมองในแง่ของความเป็นไตรลักษณ์ซึ่งเกิดขึ้นแก่สัตว์และแก่สังขารทั้งหลาย ตัวการใหญ่ที่จะใช้วิเคราะห์ตัดสินไปในแต่ละคณะจึงคือสติสมชัญญญความเพียรที่ทรงแสดงไว้ในตอนตอน้ตนๆแต่ว่าแนวของปริญติท่านก็ต้องเรียงเอาท่านอย่างนี้เพราะมาต้องพิมพ์ต้องกินเนื้อที่แล้วก็ต้องเรียงลําดับการเรียงลําดับนั้นเป็นการเรียงตามระดับที่พระญาบุคคลท่านละสัง่งยศเหล่านั้นได้คือใช้ลําดับเหล่านั้นมาเรียก แต่การเกิดมันก็ไม่ได้เรียงลำดับเรนไกราวไว้ในตอนต้นวัาขึ้นอยู่กับการเหนี่ยว น, น, นึกที่เราเรียกว่าเจริตด้วย อ, อัธยาศัยคนเจ็นบางคนมันก็ตกไปในพวกกรารมราคะสังโยชน์มากอะไรมันก็สวยไปหมดหน่าฟังไปหมดไประไปหมดอร่อยไปหมดหน้าลิ้มน้าชิมหน้าจับต้องไปหมดอีกเลื่ประเภทกรารราคะมันก็เกิดเกิดทันมาก บางคนนั่นเป็นคนมีปัญหาศึกษาแล้วเรียนอะไรมามันก็ไปอย่างไ้ลึกจริงๆแต่ก็ชอบเรียนชอบรู้ชอบสนใจชอบสนิทศึกษาแต่ก็ไม่เข้าใจทมความเป็นจริงความใจมันก็แกว้งคือไปสงสัยอยู่เรื่อยๆตรืทีเห็นแล้วเราก็รู้ในระดับหนึ่งแต่อยากจะรู้อีกระดับหนึ่งจะรู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหน มีหน้านะที่การงานอย่างไงสมมติเรารู้สามหลังตรงนี้พอเขาตอบได้เราก็ไม่มีปัญหาในจุดนี้แต่ว่าใจเนี่ยมันอยากรู้มากกว่า น, นั้นอยากจะศึกษารายละเอียดภูมหลังสถานะา ท, าทางครอบครัวทางการเงินทางการงานทางการศึกษาจาติสกุลวงศชาคณะญาต้องจินเดิมเนะชื่อสายเทืกเถาเรากกก็ว่ากันไปไอ้ตรงนี้มันก็เกิดสงสัย คือใจต้องการจะรู้เกินกรอบที่ตัวเองรู้ในขณะนั้นนันความสงสัยมันก็เกิดขึ้นบางคนก็เป็นเรื่องเรื่องพวกพวกคิดมากพวกวิตกมากตึกมากในบาความเครื่องแปร่งสงสัยมันกเกิดขึ้นแล่สิ่งที่เครื่องแปร่งสงสัยนั้นบางครั้งเนี่ยจะมากคือเก็บสะสมไว้มากมันกลายเป็นอาการเครียด ยมประเถระรูปหนึ่งชื่อพระกังขาเรวัตตอนที่ท่านบวชไม่นานเนี่ยพอศึกษาเราเรียนมาทำวินัยแล้วมีปัญหาอย่างหนึ่งคือท่านไม่แน่ใจในเรื่องของวินัยทําอย่างนี้ผิดวินัยไหมทําอย่างนี้ถูกไหมทําอย่างนี้ถูกต้องหรือเปล่าทําอย่างนี้ตรงตามเจตนารมณ์ของวินยัยหรือไม่อะไรอะไรเนี่ยแล้วกลายเป็นคนขี้สงสัยจนได้รับกล่าวขวัญจากอุคคลทั้งหลาย ก็กังขาเรวัตคือเรวัตที่ชอบสงสัยที่จริงท่านชื่อจริงๆเนี่ยท่านชื่อว่าเรวัตสงสัยที่ท่านอยากรู้เกินไปหมายความม่าเกินจากจุดนั้นแล้วก็ไม่สามารถจะบรรเทาความสงสัยในขณะนั้นได้ความเฉยๆกเกิดขึ้นในจุดนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าสงสัยหมดทุกสิ่งทุกอย่างคนนี้เป็สังเกตความเครือบแคลงสงสัยในพระพุทธเจ้าซึ่งถือว่าเป็นแกนหลักของความสงสัย โดยทั่วไปแล้วเนี่ยภาพกว้างภาพรวมคนก็ไม่ติดใจในเรื่องของพระพุทธเจ้าหรือไม่ได้สเครือแปรงสงสัยอะไรอย่างนั้นแต่พอได้ศึกษาในรายละเอียดรือมีปัญหาบางข้อบางประการเกิด ข, ขึ้นจากเราคิดเราเองบ้างจากคนอื่นพูดและเราคิดบ้างแล้วเราก็ไม่รู้ความจริงในจุดนั้นความสงสัยก็เกิดขึ้นในจุดนั้น ไม่ได้หมาความสงสัยถึงมีจริงหรือไม่มีจริงเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์หรือไม่ใช่เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์หรือเป็นบุคคลในจินตนาการเนี่ยคนมองพวกพูดสําหรับชาวพูดเนี่ยไม่สงสัยขนาดนั้นมันหยาบเกินไปแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยก็อาจจะสงสัย เพราเราจะพบว่าปัญหาคําถามที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าทั้งในด้านพระคุณทั้งในด้านประวัติทั้งในด้านคุณพิเศษต่างๆมันจะเกิดขึ้นอยู่เสมอคนที่ยกพระพุทธเจ้ามาถามก็แสดงเขาไม่สงสัยในองค์พระพุทธเจ้าว่ามีจริงหรือไม่มีจริงเพียงแต่ว่าเขาสงสัยในพระคุณบางอย่างอิทธิปาฏิหารบางอย่าง ควรสมบัติพิเศษบางอย่างที่มีอยู่ภายในประไทยของพระพุทธเจา้าปัญจุดนี้อาจจะเกิดขึ้นจากการเหนียวนึกตรึกนึกของเราก็ได้เกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังจากคนอื่นหรือเราไปปรุงคิดคิดปรุงขึ้นมาเองแล้วเมื่อไม่สามารถแก จ, จัดความสงสัยได้ความสงสัยมันก็กัดกร่อนจิตใจในจุดนั้นก็ให้เกิดอาการทึงงักงนัน ก็ไม่แน่ใจในการประพฤติปฏิบัติเพราะน่นพวกเหล่านี้จึงกลายเป็นสังโยชน์เป็นเครื่องผูกมัดจิตใจของบุคคลเอาไว้ไม่ให้ก้าวไปได้สังโยชน์จึงมีลักษณะคล้ายๆกับเชือกหรือโซ่หรืออะไรก็ตามนะคือเรียกว่าพวกนี้ก็ถูกล่ำไว้ถูกมัดไว้มันก็ไปไม่ได้ แต่ไม่ถึงก็ตรึงอยู่กับที่มันก็มีช่วงยาวที่เดินสายไปสายมาที่ใดที่หนึ่งได้พอสมควรเนื่องจากเป็นกิเลสประเภทที่ละเอียดต่อมีอารมณ์อะไรมากระทบจากข้างนอกกิเลสพวกนี้ก็แสดงอาการออกมาแต่ตามปกติมันก็สงบอยู่ภายในส่วนที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเนี่นยท่านไม่เรียกว่าสังชดเพราะนั้นสายชดตัางหลายจะพบว่าวิจิการเราก็เจอในนิวนัณ์ เรามาเจอวิจิกิจฉาในทางยอดจิตวิจิกิจฉาคือความเครือบแคลงสงสัยที่ปรากฏอยู่สม่ำเสมอในจิตใจเราเนี่มันเป็นวิจิกิจฉาประเภทที่หวนกระตุ้นหรือไม่กระตุ้นเราก็กระตุ้นขึ้นมาเองเราก็หาเรื่องสงสัยได้เรื่อยๆแต่วิจิกิจฉาประเภทสังโยชน์นั้นต้องมีตัวกระตุ้น เพียงแต่ว่าเพิ่มเมื่อเขาเกิดแล้วเนี่ยเกิดขึ้นภายในใจเนี่ยต้องเข้าใจว่าพอเกิดขึ้นภายในใจแล้วมันเป็นนิวรณ์มันไม่ได้เป็นทังโยชนอีกแล้วคือมันหมดสถานะทํามองอะไรคือทํานองตะกอนที่อยู่ใต้ก้นภาชนะกับตะกอนที่มันขึ้นมาทําให้น้ําขุ่นมันอยู่คนละสถานะกันตะกอนที่อยู่ก้นภาชนะที่จริงไม่มีปัญหา ถ้าเราไม่ทำมันก็ขุนขึ้นมาเนี่ยก็ไม่มีปัญหาแต่ตะกอนที่ทำให้น้าขุนคือมันขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นตะกอนที่มีปัญหาแล้วเพราะในจุดนั้นเกิดดื่มไม่ได้น้ำ ท, ท, ที่มาก่อนมันก็ดื่มได้เพราะชื่อที่ท่านเรียกว่าก็เรียกคนละอย่างกันเรื่งกิเลสก็มีลักษณะอย่างนั้นเป็นการเรียกตามสถานะของเขาที่ปรากฏแก่จิตในแต่ละคณะ ก็สงบอยู่ภายในถ้าเรียกว่าสังโยชน์ซึ่งไม่จําเป็นจะต้องเรียกอย่างนั้นเสมอไปนะบางครั้งอาจจะเรียกว่าอนุสัยบางครั้งอาจจะเรียกว่าสวาบางครั้งอาจจะเรียกขันทะก็แล้วแต่ภาษาเนี่ยก็ไม่ต้องไปติดใจอะไรมากแต่พกฟูขึ้นมาภายในใจเนี่ยการจะเรียกว่านิวร์บ้างเรียกเรื่องร้อยรัดบ้าง เรียกว่ากิเลสที่เหมือนกันเนินเขาคือข้ามได้ยากมันเป็นเนินมันสูงมันขึ้นไปได้ยากมันข้ามได้ยากบางทีตอนนี้บอกกิเลสเหมือนกันเนินกิเลสจะประดุดจะเนินซึ่งการพูดในสมัยนั้นที่จริงมาเข้าใจง่ายเพราะพระพุทธเจ้ารับสั่งส่วนใหญ่ก็ในป่าแล้วก็ใกล้ๆป่าก็สามารถชี้ได้ เราเจอเดินเขาก็เดินหนึ่งเนี่ยกว่าจะข้ามเดินเขาไปได้เราก็สหัสสากันเราสังเกตเพราะจิตใจของเราเวลาถูกกิเลสก็ใดก็หนึ่งก็ครอบงำเนี่ยเกยสลัดได้ออกไปจากใจไปเป็นเรื่องที่ทําได้อย่างเพราะแนวพวกนี้จึงเป็นแนวหลักที่ส่งสอนให้ดูสังโยชน์ซึ่งข้อใดข้อหนึ่งก็ไม่รู้ ก็ดูให้เห็นในแต่ละขณะก็แล้วกันว่าในขณะนี้มีสังโย้อะไรคนหนึ่งเกิดขึ้นหรือไม่สมมติว่าเกิดก็ให้รู้เห็นตามความเป็นจริงแล่ในขณะเดียวกันก็ต้องมองเห็นโทษตกลงว่าเป็นการศึกษาในแนวที่เหมือนเดิมคือพวกกิเลสก็พยายามมองเห็นโทษเรา แล้วก็รู้สถานะของเขาว่ากิเลสนั้นพระเจ้าสอนไว้ายังไงพวกกิเลสประเภททั้งหลายไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไงก็ตามทรงสอนให้ผู้ศึกษาประพฤติปฏิบัติเพียรพยายามลดเลี่ยนพยายามละเพียรพยายามขัดเกลาร์เพียรพยายามบรรเทาเพียรพยายามสงบเพียรพยายามระงับจนถึงก็ดับไปดับไปมากบ้างน้อยบ้างก็พยายามดับไปเีืเ่ย ทำนองแรกๆก็ไฟไหม้มาก็ดับเท่าที่กระดับได้ลดการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากไฟไหม้ให้น้อยลงแต่ตอนแรกๆเรา ก, ก็ทำอะไรมากไม่ได้เราเพราะฉะนั้นจะงสอนในแนวของการพยายามขัดเกลาและเพื่อไม่ให้เกิดมีปัญหาคคำสอนระดับอื่นมันก็มีปรากฏ เป็นโปรแกรมสอนระดับสีระดับสํารณ์อินทรีย์ระดับที่รักษาอาชีพของเราระดับไม่เกี่ยวข้องกับคนกับสถานที่ต่างๆสงสัยจะเกิดเป็นปนัญหาเนี่ยที่จริงก็เป็นการป้องกันป้องกันไม่ให้กิเลสประเภทนี้เขาผูกขึ้นเราก็หลบไปซะก่อนแม้วังเรื่องเนี่เป็นการตัดไฟแต่ต้นลมลนั่นเองแต่พึงสังเกตว่าถ้าเราปล่อยปละละเลยแล้วผลมันก็ ก็คือจะเพิ่มกิเลสขึ้นจากแง่จากมุมต่างๆจากด้านต่างๆคำสอนจึงกำหนดไว้เป็นนัยยะต่างๆก็เรียกว่าเป็นอเนกประยายแต่ทั้งหมดนั้นจะเป็นปัจจัยของการหลายกันตัวอย่างง่ายๆอย่า ง, ง, ายยางนี้เช่นสมมติในจุดใดจุดหนึ่งที่เราเกิดมีปัญญามากขึ้ น, นตัวอย่างเช่นเราเคยเป็น นักสูบุหรีหรือติดสิ่ ง, สงเสพติดบุรีอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยในตอนนั้นเป็นอาการของความโรบความลมเพราะอยากจะสุบแล้วก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้มีเหตุผลในการสุบอะไรแต่ว่าจิตใจมันก็ตกใจในความตกเพราะนัต่อมาพอมองเห็นโทษขึ้นมาได้นี่ในตอนแรกๆอาจจะเอาไปแบ่งคนอื่นอาจจะชวนคนอื่นอาจจะ มีปรงคับให้คนอื่นสุขอย่างที่ตัวสุขถ้าจิตใจนั้นจยากขับแคบหรือจะไม่ค่อยนึกถึงคนอื่นตัวอยากสุขก็สุขจะอยู่ในห้องแอร์มีคนมา ก, มากแต่เป็นอะไรก็ตามนะคือจะไม่สนใจคนอื่นจะสนใจตัวเองมากแล้วมุ่งจะปลนปลื้มความสุขให้แก่ตัวเองเราก็เห็นอาการความต่อเนื่องของกิเลสที่มีอยู่ภายในจิต ใ, ใ, ใจของบุคคลมันก็ออกไปเรื่อย ทีนี้พอในจุดนั้นเองมันปัญญามันเกิดขึ้นมีเหตุมีผลมากขึ้นใจมันจะเอื้อเฟื้อถึงคนอื่นมองถึงทรัพย์สินที่จะสี่ศูญเสียไปโดยไม่คุ้มค่ามองสติปัญญาที่จะเสื่อมลงมองถูงสกสกาาปรกพลานามัไมมองถึงการเกี่ยวข้อ ง, องการสมาคมก็ผ้ากับบุคคลอื่นคนอื่นก็จะพลอยมีปัญหาพลอยเดือดร้อนตามไปด้วย มองถึงบนระพิตอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากการกระทาเช่นนั้นนั่นก็แสดงว่าที่จริงแล้วมันก็เป็นการมองที่จุดเดิมเพียงแต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยสติปัญญาเขาเพิ่มขึ้นเ็าก็มองเห็นเขาได้ในช่วงแรกนั้นสติปัญญามัาก็หายไปหรือไม่ถึงก็หายไปแต่ก็ไม่มีกำลังมากพอที่จะไปมองในรายละเอียดอย่างนั้นเพราะจิตใจของบุคคลเนี่ย ท่านทั้งหลายจะเห็นได้อย่างเด็นชัดว่าเราก็สะสมมาทั้งสองด้านนั่นแหละในส่วนของกิเลสเราก็สะสมไปเยะในส่วนของธรรมก็สะสมไปไม่น้อยเหมือนกันทําไมลักษณะทางอารมณ์ของเราไม่ได้ไม่ได้ตกไปไปตามหนาาของกิเลส ท, ทุกครั้งไม่จะเห็นรูปฟังเสียงรมกรลิ่นเลมรสแล้วก็เกิดกิเลส ท, ทุกชีอันนี้มันก็เกินไปแต่จึงธรรมะมันก็เกิดมากมายเก่ง แต่เมื่อเกิดแล้วเขาก็ทาหน้าที่ของเขาด้วยกันทั้งสองฝ่ายนั่นในแนวเหล่านี้จึงเป็นแนวปฏิบัติที่จะชี้เห็นได้ว่าไม่ได้อยู่ที่รูปแบบอะไรต่ออนะคือหมายความว่าแม้เราจะไม่นั่งคุปตาลังตั้งกายทรงน้ำรงสติไว้เฉพาะหน้านัง่งภาวนาพุโทโธอะไรต่ออะไรก็ตามมันไม่ได้เกี่ยวอะไร ประเด็นสำคัญว่าให้มีสติสัมปชัญญะแลรกรู้ทันต่ออารมณ์ที่มากระทบในขณะนั้นๆแล้วดูซิว่าในขณะที่เหตุรูปของเสียงลงกลิ่นเป็นต้นนี้มันมีนิวรณ์ข้ใดข้หนึ่งมันมีสังโยชน์ข้อใดข้นขหนึ่งฟูขึ้นหรือไม่คือไปกระตุ้นให้กิเลสประเภทสังโยชน์มันเกิดฟูขึ้นหรือไม่ถ้าไม่ฟูขึ้นมันก็ต้องเป็นกิเลสประเภทอื่น ทีนี้ถ้าประเภทกิเลสไม่มีก็หมายความธรรมะเขาต้องเกิดแน่นอนอาจจะอยู่ระดับกลางๆที่เรียกว่าเป็นอภิญญากฤิหรืออาจจะเป็นเรื่องของธรรมะประเภทที่อย่าฟ้างกลางบ้างละเอียดบ้างก็แล้วแต่พื้นฐานของเราเกิดขึ้นภายในจิตสิ่งทั้งหลายเมื่อปรากฏแก่จิตจะแสดงอาการต่อจิตที่เราสัมผัสเองได้ชัดเจนว่ากิเลสว่าตัวไหนรอดทั้งนั้น ประเภทอัตตาตัวตนก็ร้อนจะนั่งในที่ใดที่หนึ่งมันก็ร้อนต้องมองถึงสัปถ์ถึงสีถึงสถานะถึงที่นั่งของเราถึงเกียรติที่สังคมจะต้องให้แก่เราแล้วเกิดสังคมไม่ยอมให้แล้วเกิดถึงสถานะอะไรแต่เราเองเราจะเห็นว่ากิเลสมันจะฟูขึ้นฟูขึ้นฟู ข, นฟขึ้นเพิ่มปริมาณขึ้นซึ่งหมายความว่าคบเพิ่มมากเท่าไหร่เนี่ย ปัญหาภายในใ จ, จิตใจก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นแต่ในจุดนี้หากสติปัญญาเกิดระลึกรู้ทันขึ้นมามองเห็นโทษที่มันค่อยๆร้อนเรา่าราร้อนขึ้นภายในใจก็พยายามลดลดความเร่าร้อนเหล่านั้นตัวสติก็ดีสติปัญญาคนดีความเพียรก็ดีที่บังเกิดขึ้นนั้นก็คือกุศลละธรรมที่จะทำหน้าที่ขจัด บำบัดความ ร, าร้อนรุนแรงของกิเลสให้สงบลงไปใจเราก็สัมผัสอีกระดับหนึ่งว่ากุศลธรรมนั้นนำความสงบมาสู่จิตมีความเยือกเย็นมีความโปร่งมีความเปอมีความสละสลวยปรากฏขึ้นภายในจิตเมื่อได้สัมผัสแล้วก็เจียบเคียงสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตจากอันเป็นผลต่อเนื่องมาจากกิเลสและ จากธรรมสติสรัรมปชัญญะที่จะมองเห็นโทษของกิเลสก็จะเพิ่มขึ้นและมองเห็นคุณความดีของกุศลธรรมก็จะเพิ่มขึ้นต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป